วันโกนแรมเจ็ดค่มเดือนยี่สมพา์วัดป่ามะม่วงได้รับนิมนต์ไปฉันเพงที่หมู่บ้านบางมยมอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีโดยในหลอ่อขับรถไปส่งถึงหัวทุ่งจากนั้น ต้องเดินตัดทุ่งไปอีกสองกิโลเมตรเพราะรถเข้าไม่ได้สมพารหนุ่มไม่รู้สึกว่าเป็นความลำบากเพราะชีวิตท่านต้องเผชิญกับความทุกข์ยากมาจนชาชินเคยหาบของไปขายที่ตลาดบางขามซึ่งไกลจากบ้านถึง14กิโลเมตรเคยเดินลัดทุ่งลุยน้ำลุยโคลนในยามค่ำคืนเพื่อไปดูลิเกตที่วัดไลรเมื่อไปถึง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 เดินมาถึงบ้านงานทันเวลาเจริญพระพุทธมนต์พอดีเป็นงานทำบุญวันเกิดเจ้าของบ้านและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของวันเกิดพระสงฆ์ทั้ง9้ารูปจึงเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรหรือที่มีชื่อเต็มว่าธรรมจักกัะปะวัตนะสูตรอันเป็นเทศนากันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดนักบวชทั้งห้ารูปที่ป่าอิสิ ป, ปตนามฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสีพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์จบลงพวกแม่ครัวช่อยกันลำเลียงอาหารมาวางพิธีกรนำกล่าวถวายสังฆทานแล้วเจ้าภาพช่วยกันประเคนพัตนาหารพระสงค์พิจารณาอาหารแล้วจึงลงมือฉันเสร็จพิธีทำบุญ พระสงฆ์แปดรูปจากวัดใกล้บ้านพากันกลับส่วนสมภารวัดป่ามะม่วงยังคงนั่งคุยกับเจ้าภาพเพื่อรอให้ในหลอ่อได้รับประทานอาหารจนอิ่มหนำสำราญก่อนขณะที่พระกับคฤหัสถ์กำลังคุยกันอยู่นั้นเสียงร้องกรี๊ดกรี๊ดก็ดังขึ้นเด็กหญิงอายุประมาณ 13-14 ลงนอนชักดิ้นชักงอส่งเสียงร้องไห้ไม่ลืมหูลืมตา บานเย็นเองเป็นอะไรไปหรือลูกเป็นอะไรคนเป็นแม่ถามลางเขย่าวตัวลูกสาวเด็กหญิงหยุดร้องแล้วลุกขึ้นนั่งพูดกับคนเป็นแม่ว่าข้าไม่ใช่ลูกแกอย่ามาถูกต้องตัวข้าทําไมพูดกับแม่อย่างนั้นนี่แม่เองนะนางระเบียบว่าคนเป็นลูกสาวคลั้นศพตากันก็ถึงกับคนลุกสู้ เพราะแววตาของลูกนางดูแข็งกร้าวราวกับตานางยักษ์ข้าบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ถอยไปข้าจะขอคุยกับหลวงพี่พูดจบก็คลานเข้ามานั่งต่อหน้าพระเจริญก้มลงกราบเบญจางข้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วถามขึ้นว่าหลวงพี่จำดิฉันได้ไหมจ๊ะดิฉันไหนล่ะหนูชื่ออะไรจ๊ะท่านถามออกแปลกใจ ที่เด็กหญิงแทนตัวเองว่าดิฉันแทนที่จะเป็นหนูและเรียกท่านว่าหลุงพี่แทนที่จะเป็นหลุงพ่อดิฉันคุณนายแดงยังไงละจ๊ะคุณนายแดงเจ้าของตลาดสดท่าโพ ล, ลบุรีนะจ๊ะที่เคยไปทอดกรินวัดพรมบุรีสามปีซ้อนสมัยที่สมภารชอบท่านกาลังสร้างโบสถ์คุณนายแดงในร่างเด็กหญิงบานเย็นบอกกล่าว พระเจริญนึกถึงสตรีร่างท้วมผิวขาวอายุประมาณห้าสิบเศษที่เคยมาเป็นเจ้าภาพทอดกะถินติดต่อกันถึงสามปีซ้อนกระทั่งการสร้างโบสถ์เสร็จสิ้นลงหลังจากนั้นนางก็ได้เป็นเจ้าภาพทอดกะถินตามวัดต่างๆอีกหลายวัดคุณนายแดงเป็นคนมีชื่อเสียงในทางทาบุญทอดพป่าทอดกระถินมาเป็นสิบวัดเมื่อปีที่แล้วนางเป็นลมตาย ท่านยังไปงานศพอ๋อจาได้แล้วนี่โยมทำไมมาเข้าเด็กละ่ะแล้วไปเกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นไหนท่านถามแน่ใจว่านางต้องได้ขึ้นสวรรค์เพราะทำบุญทำทานม า, มากคำถามของท่านทำให้วิญญาณในร่างของเด็กหญิงร้องไห้พูดทั้งน้ำตาว่า ดิฉันไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์หรอกจะ้ะดิฉันเกิดเป็นเปรตต้องถูกทรมานด้วยการอดอยากขิวโหอยอดข้าวอดน้ําหมากพลูก็ไม่มีจะกินลําบากเหลือเกินจะ้ะนางโอดครวนเป็นเปรตก็ยังอยากกินหมากด้วยหรือพระหนุ่มเห็นเป็นเรื่องแปลกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พากันตั้งใจฟังด้วยเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน ตอนเป็นมนุษย์อยากกินอะไรพอเป็นเปรตก็อยากกินอันนั้นแหละจ้ะผิดกันแต่ว่าตอนเป็นมนุษย์หากินเองได้แต่พอมาเป็นเปรตทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องคอยรับส่วนบุญที่ลูกหลานอุทิศมาให้แต่นี่พวกเขาไม่เคยอุทิศมาดิฉันก็เลยต้องอดอยากปากหมองที่มาเข้าเด็กก็เพื่อจะขอความเมตตาจากท่านให้ช่วยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาดิฉันจะได้หมดเวรหมดกรรม ได้ไปเกิดในสวรรค์เสีทีวิญญาณในร่างเด็กหญิงบานเย็นบอกกล่าวที่โยมพูดมานี่อาตมาชักงงแล้วนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะโยมอาตมาเห็นโยมทำบุญไม่พักทั้งทอดผ้า ป, ป่าทอดกะถินแล้วทำไมถึงได้มาเกิดเป็นเปรตละ่ะสมพา์วัดป่ามะม่วง รู้สึกกังขาเพราะมันไม่ใช่บุญที่แท้จริงนะสิจ้าหลวงพี่ถ้าพูดกันตรงๆก็คือดิฉันทำบุญเอาหน้าไม่ได้เกิดจากศรัทธาที่แท้จริงบุญอยู่ที่ใจจะ่ะถ้าเรามีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ต้องทอดพระป่าทอดกะถินก็ได้ดิฉันก็เพิ่งจะมารู้แจมแจ้งก็ตอนมาเกิดเป็นเปรตนี่แหละหลวงพี่รู้ไหมว่าทาไมดิฉันถึงต้องเกิดเป็นเปรต นางถามพระเจริญอาตมาไม่รู้หรอกโยมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยญาติโยมเขาจะได้จดจำไว้เป็นอุทาหรณ์พระหนุ่มมองเห็นประโยชน์ที่คนฟังจะได้รับตกลงจะ้ะดิฉันจะเล่าให้ฟังเป็นธรรมทานเมื่อตอนเป็นมนุษย์ดิฉันไม่เข้าใจไม่รู้ว่าบุญคืออะไรคิดว่า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 ในพระพุทธศาสนาดิฉันขออนุโมทนาคุณนายแดงในร่างของเด็กหญิงยกมือขึ้นประนมจรดหน้าผากพลางกล่าวสาธุแล้วจึงเล่าต่อที่ดิฉันต้องเกิดเป็นเปรตก็เพราะตายขณะที่จิตมีโลภะคนเราจะตายไปเกิดเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับจิตตอนใกล้จะตายนี่แหละถ้าเป็นกรรมเขาเรียกว่าอาสนกรรม หมายถึงกรรมที่ทำขณะกําลังจะตายถ้าตอนตายจิตมีโลภะจะไปเกิดเป็นเปรตจิตมีโทสะจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกจิตมีโมหะจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดิฉันก็เพิ่งจะมารู้ตอนที่มาเป็นเปรตนี่แหละจะแต่ก่อนไม่รู้อะไรแล้วโยมว่าอันไหนร้ายที่สุดเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกหรือว่า เดรรชานท่านทดสอบความรู้คนเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นเดรรชานร้ายที่สุดจ้ะเพราะเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกถึงจะทุกทรมานแต่ก็ชั่วระยะเวลาไม่นานแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรรชานต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรนานมากเพราะกิเลสที่ร้ายที่สุดคือโมหะอย่างดิฉันนี่ถ้าหมดกรรมจากการเป็นเปรตก็จะได้ขึ้นสวรรค์ แต่ก็ยังไม่ถือว่าสูงสุดเพราะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าจะให้สูงสุดต้องถึงพระนิพพานการทอดผ้าป่าทอดกระินจะได้ขึ้นสวรรค์แน่แต่ถ้าต้องการเข้าถึงพระนิพพานต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานคุณนายแดงพูดได้ถูกต้องตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาทุกประการแล้วโยอมไปทาอย่างไรถึงได้ตายขณะจิตมีโลภะละ่ะ สมภารวัดป่ามะม่วงถามอีกเรื่องมันยาวจ่ะแล้วดิฉันจะเล่าถวายก่อนอื่นขอกินข้าวกินน้ำให้อิมหมีพีมันก่อนช่วยจัดอาหารให้ฉันกินก่อนเถอะนางบอกเจ้าของวันเกิดบุรุษวัยห้าสิบเศษจึงสั่งให้แม่ครัวที่กำลังนั่งฟังอยู่ไปจัดการเปรตในร่างของเด็กหญิงบานเย็นกินอาหารอย่างอรอร่อยสมกับที่อดอยากหิวโหวยมานาน อิ่มข้าวแล้วนางก็ขอกินหมากแล้วจึงเริ่มเล่าต่อหากคราวนี้สี่งที่พูดไม่ชัดเจนเท่าครั้งแรกพระอมหมากไว้ในปากจิต ด, ดิฉันมีโลภเพราะอยากได้ที่นาคืนคือดิฉันยกที่นาให้ลูกไปแล้วภายหลังได้ไปขอคืนด้วยผลกรรมอันนี้ทำให้ดิฉันต้องมาเป็นเปรด แล้วหันไปพูดกับบรรดาผู้ที่นั่งฟังอยู่ว่าพ่อแม่พี่น้องจำไว้นะยกสมบัติให้ลูกแล้วอย่าได้ไปขอคืนมิฉนั้นจะต้องเกิดเป็นเปรตเหมือนฉันทำไมโยมถึงทำอย่างนั้นละ่ะยกให้เขาแล้วก็แล้วกันไปขอคืนน่ะบาปมากรู้ไหมพระเจริญพูดเสียงตำหนิ จะรุ่งพี่ดิฉันก็พึ่งจะรู้ว่าบาปมากถึงต้องมาลำบากลําบนอย่างนี้ดิฉันเป็นแม่ที่ไม่ยุติธรรมรักลูกไม่เท่ากันคือดิฉันมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้ชายคนเล็กเป็นผู้หญิงพ่อพ่อเด็กตายดิฉันก็จัดการแบ่งสมบัติให้ลูกสองคนเท่าๆกันลูกชายเขาก็แยกครอบครัวไปทำมาหากินอยู่ที่เชียงใหม่ส่วนลูกสาวอยู่กับดิฉันต่อมา ลูกสาวแต่งงานกับลูกชายเจ้าของโรงสีดิฉันก็ดีใจว่าได้ลูกเขยฐานะดีก็คิดว่าเขาจะร่ำรวยแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเจ้าลูกเขยดิฉันเขาชอบเล่นการพนันเรียกว่าผีการพนันเข้าสิงเฉละพอเตี่ยตายเขาก็ได้เป็นเท่าแก่โรงสีแต่แล้วก็เล่นการพนันจนต้องขายกิจการให้คนอื่นพอเงินหมด เขาก็มาเอาของลูกสาวดิฉันลูกสาวก็ให้ต่อมาถึงกับขายสมบัติจนหมดทองหยองไรนาสาโทลูกผัวผานเรียบดิฉันก็สงสารลูกสาวเลยบากหน้าไปหาลูกชายที่เชียงใหม่ไปขอที่นาคืนตอนแรกลูกชายเขาก็ไม่พอใจหาว่าดิฉันตามใจลูกมากเกินไปเขาก็ไม่ยอมให้แต่ลูกสะพ้ยเขาบอกพี่ ให้แม่แกไปเถอะเราก็สร้างของเราเองมาได้มากมายแล้วคงไม่อดตายหรอกเมื่อลูกสะพ้ยพูดอย่างนี้ลูกชายเขาก็ยอมคืนนาให้ซึ่งต่อมาลูกเขยก็เอาไปขายเล่นการพนันหมดอีกดิฉันเสียใจเป็นลมตายเดี๋ยวนั้นก็เลยมาเกิดเป็นเปรตนี่แหละจ้กเมื่อคุณนายแดงเล่าจบพระเจริญจึงถือโอกาสสั่งสอนญาติโยมเพราะนานๆ จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นสักครั้งและเพื่อให้ญาติโยมมั่นใจยิ่งขึ้นว่ากรรมนั้นมีจริงท่านจึงเล่าเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วฟังโยมเล่าทำให้อาตมานึกถึงเรื่องราวของโยมปุกรายนี้ ก็ตายไปเกิดเป็นเปรตเหมือนกันตอนมีชีวิตอยู่ชอบทําบุญมากทอดผ้าป่าทอดกะถินไม่พักในสายตาของคนทั่วไปดูเหมือนว่าโยมปุกเป็นคนมีศรัทธาในพระศาสนาอย่างเหลือเกินแต่อัตมารู้ว่านั่นไม่ใช่ศรัทธาที่แท้จริงเขาเรียกว่าศรัทธาหัวเต่า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 แกมีที่นาอยู่แปดสิบไร่มีลูกเขยสองคนเขยใหญ่เป็นคนขอนแก่นชื่อคำมีเป็นลูกศิษย์กรรมฐานของอัตมาสมัยที่ยังอยู่วัดพรมบุรีเมียเขาชื่อบุญยืนส่วนเขยเล็กเป็นคนชัยนาทขี้อิดช้าฤิ์สยาข้างฝ่ายพ่อตาแม่ยายคือโยมผ่อนกับโยมปุก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 จเจริญสติปัฏฐานสี่ก็เกิดปัญญาแก้ปัญหาได้นาดอนที่ว่าไม่ดีก็กลับกลายเป็นนาดีอาตมาถามว่าทำอย่างไรนาถึงดีเขาก็ตอบว่าเขาจเจริญสติปัฏฐานสี่เกิดปัญญาว่าต้องทำคันนาสูงๆกักน้ำไว้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 พ่อตาแม่ยายก็อคติมาพูดกับเขยใหญ่ขอแลกนากับเขยเล็กเขยใหญ่ก็คือโยมคามีมาปรึกษาอาตมาบอกหลวงพ่อครับพ่อแม่เขาทำอย่างนี้ถูกแล้วหรืออาตมาก็ปลอบใจว่าเอาเถอะเขาอยากได้ก็ให้เขาไปเขยใหญ่ก็ยอมให้แลก สองคนผัวเมียพากันเจริญกรรมฐานทุกวันก็เกิดปัญญาจึงพากันไปตัดไม้ไผ่มาทำราวกั้นผักปอดหน้ากลับดีขึ้นมาอีกส่วนเขยเล็กพอไปทำนาดอนหน้ากลับไม่ดีมีแต่ต้นเส้นขึ้นเต็มไปหมดก็ไปบอกพ่อตาแม่ยายขอแลกนาคืน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 เขาบอกไม่เอาผมไม่ชอบมานั่งหลับหูหลับตาโยมจำไว้เลยนะคนที่มาเจริญวิปัสนาจะต้องเป็นคนมีบุญถ้าไม่มีบุญต่อให้เอาช้างมาฉุดเขาก็ไม่ยอมมาเหมือนอย่างเคยเล็กคนนี้แล้วเมียเขาหระจ๊ะเห็นด้วยกับผัวหรือเปล่าคุณนายแดงถามก็ต้องเห็นด้วยนะสิ ถึงอยู่ด้วยกันได้เขาเรียกว่ามีธรรมะเสมอกันเหมือนลูกสาวดิฉันที่เห็นดีเห็นงามไปกับหัวจนทรัพย์สมบัติย่อยยับไม่มีเหลืออย่าไปคิดอะไรมากเลยโยมเรื่องมันแล้วไปแล้วขอให้คิดถึงแต่สิ่งที่ดีงามและบุญกุศลที่เคยทำไว้จะได้จุติจากภูมิเปรต ไปอุบัติในภูมิเทพนยมโยมนะท่านให้กำลังใจเปตะชนจ้ะดีฉันจะพยายามทำตามที่หลวงพี่แนะนำหลวงพี่อย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดีฉันด้วยนะจ๊ะตกลงแล้วอาจตามมาจะทำตามที่ขอพระเจริญให้สัญญาท่านเล่าเรื่องเขยเล็กเขยใหญ่ต่อเถอจ้ะกำลังสนุก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 ปลูกบ้านใหม่แล้วแต่ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ยังคงเท็กยังคงอยู่รวมกันที่บ้านพ่อตาแม่ยายและกินข้าวรวมกันเขยใหญ่กับเมียก็พากันเจริญกรรมฐานและเกิดนิมิตว่าเที่ยงนี้อย่ากินข้าวนะก็ไม่ยอมกินข้าวเพราะเขยเล็กกับเมียแอบเอายาพิษใส่ในอาหาร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 นาลุ่มนาดอนนาข้าวนักข้าวเบาเลยตกเป็นของเขยใหญ่ทั้งที่ไม่อยากได้เข้ามาเล่าให้อัตมาฟังที่วัดป่ามะม่วงมากับเมียพอเล่าจบก็บอกกับเมียว่าแม่หนูเราก็นั่งกรรมฐานของเราต่อไปนะไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานแล้วนี่เห็นไหม คนดีทำอะไรก็ดีไปหมดนามีแต่ต้นเส้งก็ทำให้เป็นนาดีได้เขาคิดจะฆ่าอุตสาเอายาพิษไปใส่ชามข้าวก็เกิดนิมิตห้ามกินข้าวเลยแม่ยายกับเมียตัวเองมาตายแทนเมียก็รู้ว่าเป็นยาพิษแต่ทำไมถึงไปกินเพราะอำนาจของอากุศลใช่ไหม ส่วนเขยใหญ่กับเมียรอดตายมาได้เพราะอำนาจของกุศลคือกรรมฐานซึ่งถือเป็นบุญสูงสุดนี่แหละญาติโยมโปรดจำไว้ไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานเหมือนที่เขยใหญ่เขาพูดมานั่นแหละแล้วแม่ยายพอตายก็ไปเกิดเป็นเปรตส่วนลูกสาว ไปตกนรกที่อาตมารู้เพราะเขามาขอส่วนบนุญใครมาขอจ่ะแม่หรือลูกสาวคุณนายแดงถามแม่ส่วนลูกสาวอยู่เมืองนรกมาไม่ได้เพราะถูกควบคุมอย่างแข็งขันถ้าจะมาต้องหนีเหมือนอย่างแปะเหลงห้วยหนีมาเข้าใยเผาแต่พอกลับไป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 เมื่อลุกขึ้นยืนก็ล้มผึงลงโชคดีที่ศีรษะไปพาดอยู่บนตักแม่ครัวนางระเบียบตกใจรีบเข้าไปเขย่าตัวลูกพระเจริญจึงแนะนำว่าไปเอายาดมมาจอที่ปลายจมูกประเดียวก็ฟื้นมีคนลุกขึ้นไปหายาดมมาส่งให้นางรับมาเปิดฝาออกแล้วจอที่ปลายจมูกลูกสาว ประมาณ15ห้านาทีเด็กหญิงก็ฟื้นและลุกขึ้นนั่งหนูรู้จักคุณนายแดงเจ้าของตลาดสดท่าโพรหรือเปล่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามไม่รู้จักจ้ะหลวงพ่อถามทำไมหรือจ้ะก็เมื่อกี้หนูบอกว่าเป็นคุณนายแดงคุยอยู่กับหลวงพ่อตั้งนานไม่รู้ตัวหรอกหรือ ไม่รู้เลยจ้ะแม่ฉันเป็นอะไรไปหรือเด็กหญิงถามมารดาเอาไว้กลับบ้านจะเล่าให้ฟังลุงพี่ฉันกับลูกขอลานั่งกราบสามครั้งแล้วบอกลูกสาวให้ทำตามจากนั้นจึงพากันลงเรือนไป